เรื่องผ้ากำพลขนยุ่งเยงหนึ่งเรื่องสมัยนั้นหญิงคนหนึ่งห่ผมผ้ากำพลซักใหม่ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัดได้กล่าวกับเธอว่าน้องหญิงเธอมีขนยุ่งเยิงแต่นางไม่เข้าใจความหมายจึงกล่าวว่าใช่เจ้าคะ่ะพระคุณเจ้าผ้ากำพลขนยุ่งเยิงท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติ